ไครสวดเสียงดังไครนะสวดเสียงดังกระหมูฮะไม่ออกไครไผเสียงไผสวดเสียงดังกระหมูนกนั่นคือเสียงบดดังฮะฮะ ใช่ส่วเสียงดังกระมูสยัเงินอ่ะใยเงินมาบอเสียงดังกระมูนี่ยเสียงไผเสียงครไม่ออกฮะเสียงไ่เสียงดังนะ นั่นแหละนอกนั้นคือเสียงบดดังได้สวดบ่ละ พ่อออกคือกันพ่อออกนะี่ยหาเสียงดังพ่อออกเนะีย่ยฮะพ่อออกใครเสียงดังบ้างฮะหาหนอเสียงดังพ่อออกเนะ่ยใครเสียงดังพ่อออกไอ้วตูวอ่อนเนีอยู่ใกล้ๆนี่เข้ามาได้ยินจากเม็ดนะี่จสวดได้หรือว่าได้แล้วนะี่ โตโกหงห้งอัองใจสวดอิลีเด้สวดมนเนี่ยปากก็ว่าไปหูก็ฟังไปมันเร็วกว่ามูหรือมันแข็งกระมุกว่ามูหรือมันช้ากว่ามูหรือมันขวางมูฟังไปด้วย เั้นศัพทว่สวดเด้พระเราบางทีก็เสียงขวางหมู่เหมือนกันก็มีนะเสียงสวดเนี่ยต้องให้มันกลมกล่อมฟังให้มันไพเราะเร็วก็มันเร็วช้าให้มันช้าข้อสำคัญว่าเสียงยาวเนี่ยต้องให้มันยาวให้มันเต็มปากเสียงอาสระอาสระอีสระอุสระเอสระอนี่มันกําหนดได้โย อออออมันว่ายาวไม่ได้ดอกเสียงสะอสะอีสะอุเนี่ยอิติปิเนี่ยอิติปิโสมันไม่สะอีแล้วมันสะอีแล้วนะเห็นบออิติปิโสอิติปิโสอคาวายาวๆออออออเอโ อ, อ, อ, อ, อ, อนี่มีแค่นี้สระมัน สระอังเสะอังนี่ยก็เสียงสัน้นสะเอตัวสะกดนี่ยก็เสียงสัน้นแต่ตัวสะกดพยัญชนะสังโยคนี่ก็ต้องว่ายขาดคำสัมมาเนี่ยซัมนี่เนี่าเรียกสังโยคสัมบุตรเนี่ยโทเนี่ยซัมมาสัมบุตรโธ่วิทยาพยัญชนะที่สะกดเขาเรียกว่าพยัญชนะสังโยค ต้องรู้จักต้องว่า้มันขาดคําราจะไ่ว้ายาวก็ใช่พ ย, ย่อชนะนตัวสังโจแต่ตัวกลมๆข้างบนนะสะอังข้างบนเน่เสียงสั้นสะอังตัวสะกดก็เสียงสั้นสะเอเนี่ยสะเออหุเนโยปาหุเนโยรักขินเนโยอัญญริกรณุโยอา อีูเอโอนี่เสียงยาวแล้วนอกจากนักพยัญชนะสังโยคคือพยัญชนะที่เป็นตัวสะกดสัมมาเนี่ยซัมเนี่ยเป็นตัวสังโยคสังโยคอนุโลมตามคำข้างหน้าซัมซัมว่ายมขาดคำสัมมาสัมบุตรโท โอสระโอต้องยาวสระอาต้องยาวอาอีูอ่เอโออะบุทรเมสระนองวารังเอเตนะสัจยจวัจเจนะพอตุเมชิยมังกลังมังกลัง มังกาลังมังกะลั ง, ง, ลงสระองังคำไหนที่เราได้เราต้องตั้งใจสวดแล้วก็ว่า้กลมๆว่าให้ละสลวยว่าให้ไพเราะถ้าเราว่าถูกทีฆารักษะเสียงมันจะพร้อมๆพร้อมๆกันมันจะไม่ขัดกัน เช่นอย่างอาอีอูบางคนว่ายาวแต่บางคนไปว่าสัน้นยมันก็ขัดกันแล้วมันว่ายาวได้อานุเดินได้เป็นเป็นสิบสิบวาน่ะอ e ีว่าเดินได้เป็นสิ บ, ส, บสิบวาน่ะอเอโออออลงไปว่าดูอะหมดแล้ว มันม่เสรยสระเลยมันปินาลัยแล้วนเนีนะ่ยอิติปิโนิอิิปออูเนี่ยไหมอออนะอังเอนี่พวกนี้ ส, สียงสั้นเ ส, สียงสั้นว่าสั้นๆต้องชัดถ้าไม่ชัดก็คือมันหายมันหายไปคือมันกลืนกลืนๆๆๆ ไอโอเสียงสั้นอาออเอโอเราจําได้แค่นี้นะเราสวดไม่ผิดกันดอกสวดไม่เตะซ้ายเตะขวากันดอกสวดไม่เร็วไม่ช้ามันจะลงอา e, ลงอีรงอูรงเอโออ่ะก็มันชัดอาออูเอโอค่าไม่ชัดนี่คือการออกเสียงในการสวดเราสวดคนเดียวสวดหลายคน สวนคนเดียวเรสวเร็วเท่าไรก็ได้ส่วนหลายคนฟังต้องฟังด้วยปากก็สวดไปหูก็ฟังไปทุองเร็วท้องเร็วด้วยต้องปรับเสียงก็ต้องพอดีใหก้กลมกลอมกันไม่ใช่ตะโกนเอาตะโกนเอาไม่ใช่เสียงเราดังคนเดียวนเะสียงเราดังคนเดียวมันก็ขวางหมู่เสียงเราดังคนเดียวจะไพเราะจะเป็นแบบขนาดไหนก็นตามไม่พ้นขวางหมู่ ต้องให้มันกลมกลมพอดีพอดีให้มันกลมกลืนกันคำสวดมันถึงจะไพเราะคำสวดมันเป็นคำที่ทำให้เรามีจิตที่สวดไปเนะเป็นระเบียบใช้สติจดจ่อสวดไปด้วยกันเนี่ยได้อันนี้สงฆ์ไม่ใช่ธรรมดาบางทีได้ข้ออัดข้อทำผุดขึ้นมาในขณะที่เราสวดนั่นแหละอย่าเห็นว่าเป็นของเล็กเล็กน้อยการสวดเนี่ย ต, ตั้งใจสวดตั้งใจสวดจิตของเราก็สงบด้วยมันสงบกับคําสวดยิ่งเราสังเกตสังกาถึงสี่คารัสก์คำว่าทีฆะก็คือพยัญชนะเสียงเสียงยาวรัสก์คืออักษรเสียงสั้นที่สรียกว่าทีฆะรัศก์ครุระหุครุ ก, ก็คือเสียงเบาระหุ ก, ก็คือเสียงหนัก พยัญชนะสังโยคพยัญชนะสิสกฏว่ามขาดแล้วก็ว่ามชัดก็มีแค่นี้แหละหมันก็มีมียากเห็นมีหนังสือทุกวันมีแต่หนังสือเป็นฉบับเป็นภาษาไทยทั้งหมดทึงอย่างมหานากาศนี้เขาพิมพ์เป็นภาษาไทยเราถ้าเราจะพิมพ์หนังสือสวมดมนต์เราจะพิมพ์เป็นภาษาบาลีเพราะพวกเราทิ้งภาษาบาลีกันหมดแล้ ข้างล่างเนี่ยตัวไหนเป็นตัวสะกดมีจุดข้างล่างจุดข้างล่างตัวไหนตัวนั้นเป็นตัวสะกดของตัวข้างหน้าตัวตัวไหนมีกลมๆข้างบนเป็นสะอังอสะอังธรรมังเนี่ยธมังสระนองเงชามิงแต่เราฝึกสวดปฏิโมกข์ด้วยแล้วเนี่ยเราต้อง ลงคอเราต้องขึ้นจมูกขึ้นน่าสิกแล้วก็ตรงลงคออันนี้ต้องบังคับแน่ครุเราหุสวดให้เป็นภาษามรตพระที่ท่านผ่านการสวดเนี่ยท่านจะรู้จะเข้าใจดีแต่บทีอาศัยสวดมากๆอาศัยสวดประมกเร็วๆสวดไปสวดไปก็เผลอเลยลืมไม่ค่อยชัดก็มีเสียงรัศหายไปกลืนไปทั้งหมด ข้อสำคัญต้องชัดล้งตาท่านว่าสระเสียงสั้นตัวไหนที่เราเร็วเกินไปและหายไปนะโมระหะโตเนี่ยหายอะไรไปหายอะไรไปฮะหายอะไรไปนะโมระหะโตสมมาสมบุตธรรมเนี่หายอะไรหายอะไรไปหายเสระตัวไหน นาโมรหะโตเนี่ยคุปติอาจารย์บางทีท่านว่าเร็วตัวอะเนี่ยไม่เห็นตัวอ่ะเนี่ยหายไปเลยกลายเป็นนาโมรหะโตไปเลยอท่านก็ว่าอยู่แต่เราไม่ได้ยินท่านอาจจะว่าค่อยเกินไปมักองค์ว่าอย่างนั้นจริงๆนะโมรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภควะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะไอ้เสระอะหายไปไหน ภาษาสวดท่านว่าวิบัติถ้าเราสวดกรรมวาจะสวดกถินเอ้ยสวดปฏิโมกเอ้ยสวดอับพาณิกรรมปริวาณกรรมอะไรเนี่ยกรรมวาจะวิบัติเขาเรียกวกรรมวายจะวิบัติสมบัติกวิบัติถ้าเป็นวิบัติ คำว่าวาจาวิบัติท่านถือว่ากรรมนั้นไม่เป็นอันธรรมแต่ว่างกันนะคำว่าวิบัติก็คือไม่ถูกครุระหุแต่เรื่องการสวดมันก็จํากัดแน่นอนไม่ได้หรอกสีลังกาเขาก็ว่าเขาสวดถูกคนที่เป็นฝรั่งเขาก็ว่าเขาสวดถูกพวกเราพวกเราคนไทยเราเนี่ยคนที่เป็นคนไทยอยู่กรุงเทพเขาก็ว่าเขาสวดถูกคนไทยอีสานเราก็ว่าเราสวดถูกทางคนต่างทว่าเราสวดถูก ไม่รู้จะว่าใครแหล ะ, ะเราไม่รู้จะว่าใครฝรั่งเขาว่าเขาสวดถูกที่สุดแล้วแต่เราคนไทยเราฟังดูมันเกิดขังขังอยู่นั่นแหละคนอีสานียเราว่าเราสวดถูกอยูแ่แล้วคนภาคกลางฟังอ่ะเอ้ยกระดองกระดองกระดองกระเดงกันนั่นแหล ะ, ะเราไม่รู้จะว่าใครว่าถูกเอาเป็นว่าภัยเราไม่ผิดสละสุวย ฟังรื่นไม่กลืนไม่ผิดนี่ก็ถือว่าใช้ได้ที่คารสะมคตก็เป็นมคตเป็นมคตจริงๆไม่ใช่เป็นทั้งมคตเป็นทั้งส้ำเนียงไทยเป็นทั้งส้ำเนียงมคตไม่ใช่บางคนด้วยเหตุไม่ชำนาญน่ะทั้งมคตทั้งไทยปนเปนกันไปนะเลยไม่รู้จะสวดจะสวดว่าไงมคตก็ต้องมคตจริงๆครูบาอาจารย์เราบางทีเราขึ้น ยะถาสพีบางทีก็ไม่รู้จักเันเวลาขึ้นยังไงลงยังไงแล้วก็พูดจ ะ, จะรับรับมะโคหรรับบาลีไม่รู้บางคนขึ้นสังโยกสังโยกก็คือสวดเป็นภาษาไทยเหมือนอย่างที่หลวงตาท่านยะถาสพีเนี่ยหลวงตาท่านสวดสังโยกสังโยกแบบภาษาไทยสวดอ อ, ออกเสียงเป็นเสียงไทยยาถาวาริวาหาภูราริปูเรนติสาครัง เอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัรปฏิอิชิตังปฏิตังตุมหังหิปเมวะสมิชตุสเพปูเรนตุสังกฟปาจันโทปณะระโสยถามณนิโชติระโสยัตานิถ้าสวดอย่างนี้แสดงว่าท่านให้รับรับสังโยกรับสังโยกเพราะคำพูดก็บอกอย่แล้วเป็นสัพพิติ ยาถาวาริวหาแต่ถ้าเป็นมคตนี่ท่านจะว่ายาถาวาริวหาปูราปริปูเรนทิส agaraṅ เอวะเมวะอิโตดินนังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปิตังตุมหังคิปเมวะสมิจฉะตุสัเบปูเรนตุสังกปา จันโดปนระโสยทามาิโยติระโสยทามถ้าสวดอย่างนี้ลองอย่างนี้เขาก็จะรับเป็นมรดศพีติยวิวัจันตุสบะโรโกวินสัสตตมาเตภวัตวันตรายยสุขีดีคายุโกภวะอภิวาดนัสิลิสาณิจังุทธาปจายนอ จตารโรธรรมาวะัฒนตีอายุวนโนสุขังบลังบะลังส่วนมกขก็ต้องว่าเป็นมกขขึ้นมกขผู้รับก็ต้องรับมกข ค, คือต้องรู้ต้องเรียนต้องสังเกตเราอยู่บ้านโพนนะลูกลูกกูเขียนท่านสอนหมนแต่ลาบางทีเราไปฟังครูบาอาจารย์ท่านว่าผิดว่าบางคนขึ้นขึ้นสังโยก แต่บางทีท่านก็ไปเร่งรับมคออ่าเร่งรับมคอทบางทีขึ้นมคอไปรับสังโยกอีกเอ๊ะบังทีท่านขึ้นมคอเนี่ยไปรับสังโยกอีกครูบาอาจารย์ที่ท่านท่านเป็นไฟปริยัตส่วนมากาท่านจะขึ้นมคอแล้วบางทีพวกเราป่าวัดป่าไปรับรับสังโยกสิอีกแต่ แต่สายปริปรยัติเนี่ยท่านรู้นะท่านฝึกนะขึ้นสังโยกรับสังโยกขึ้นมะคด ร, รับมคตท่านรู้น ะ, ะเพราะว่าเพราะว่ า, า, วาทางพระสังฆาธิการเนี่ยเขามีเขาฝึกเขาซ้อมกันแต่พระวัดป่าเราไม่ค่อยได้ฝึกเลยไม่รู้ขึ้นขึ้นสังโยคเนี่ยรัมคตก็มีบาที่เขาขึ้นมคตเนี่ยเราไปรับสังโยกก็มี อันนี้ควอันนี้ควรระวังเหมือนกันมันเป็นทีมทำเนียมทําให้ธรรมเนียมทําให้ระเบียบเป็นความเรียบร้อยเอ้ยไปถืออะไรของอย่างนี้อย่างนี้ของอย่างนี้มันก็มีความถูกของมันนะเราก็ต้องว่ายมันถูกผิดก็คือผิดอ้าวถูกก็คือถูกสิ่งสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งสมมติทั้งทั้งนั้นแหละสมมติสัตว์ปรมตาสัตว์เนี่ยท่านยังพูดเอาไว้สมมุติสัตว์อย่างคนเนี่ย คนนี่คาว่าคนนี่มันก็คาว่าคนนี่มันก็เป็นสมมุติสัจสมมุติสัจจะจริงโดยจริงโดยสมมติประมตสัจจะประมตสัจจะคาว่าคนเนี่ยไม่มีมีแต่ตัวอะไรเดินยืนเป็นหุ่นนี่เนี่ยถ้าดูไปที่เรานั่งเนี่ยเนั่ย น, น่ะคือตัวคนคือตัวความจริงอันนั้นแหละก้อนนั้นแหละแท่งนั้นแหละ ไม่มีสมมติไม่มีบัญญัติไม่มีอะไรทั้งนั้นคือตัวนั้นแหละนั <c oughs> ่น่เรียกว่าปรมาทสัตว์ปรมาทสัตว์ปรมาสัจคือเนื้อแท้เนื้อแท้ของมันเลยแหละเช่น <c oughs> อย่างต้นไม้นี่ต้นเสาเนี่ยเราไม่ต้องไปเรียกว่าต้นแดงต้นประดูไม้แดงไม้ประดูไม้ตะเขียนเราไม่ต้องไปเรียก ดูไปที่เนื้อข้างในมันคืออะไรเนี่ยดูไปสะลุปไปเลยเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยเห็นตรงนั้นเลยนี่ดูเป็นปรมตัตเป็นประหรือเป็นอัตถะเป็นสาระเป็นปรมาตุสระทเรียกว่าปรมาตุส ร, ระปรมตัตุสระเนี่ยถ้าเราหลงสมุติสระหรือเราหลงปรมาตุสัตมันก็คือหลงนั่นแหละหลงสมุติสระ บางทีพวกเราก็พยายามคุยคุยกันคุยกันเรื่องสมมุติสัตว์ไ <c oughs> อ้คนหนึ่งก็เอาปรมาตสัตว์มาเถียง <c oughs> บางคนคุยเรื่องสมมุติสัตว์กันเนี่ยบางทีก็เอาปรมัตเอาปรมาตมาเถียงบางทีบางคนก็คุยเรื่องปรามาตสัตว์ก็เอาสมมุติสัตว์มาเถียงนี่คือไม่ค่อยใจไม่รู้เรื่องสิ่งเหล่านี้มันมีความถูกมีความผิดของมัน ในเมื่อเป็นสมมติก็ให้รู้จั ก, จกสมมติสมมุติทั่สักถึงวัน อ, อย่างคําเสียงคําสวดที่เราเสียเราสวดกันทั้งหมดเนี่ยเป็นคําสมมติแม้แต่คาพูดมันก็เป็นคําสมมติสมมุติทั้งนั้นแหล ะ, อะลองลองลอ ง, ลองว่าดูอ่ะกินเนี่ยกินคนไทยเราก็ว่ากินคนจีนก็ว่าอะไรกันมลูคนลาวก็ว่าอะไรไมลุกคนอังกฤษก็ว่ายัางไงกันมลูว่าไปคนละอย่าง เช็กจีนฝรั่งอังกฤษว่าไปคนละอย่างกันแต่มันก็เอาอาหารเข้าปากเคียเค้ยวเคียวกลืนเข้าท้องนั่นคือกิริยาเดียวกันกิริยาเดียวกันมันจะสมมติไม่เหมือนกันการปฏิบัติธรรมของเราก็เหมือนกันเราต้องเข้าใจเรื่องสมมุติสัตย์ด้วยแล้วก็ต้องเข้าใจเรื่องปรมาจารศัตรุด้วยการที่เราพยายามจะตั้งใจปฏิบัติให้ถึงแก่นแท้ข้างในนั้น อยากจะยังจิตของเราให้ถึงปรมาจารย์ตัวนั้นแหละตัวปฏิจจักต์ตัวตนที่แท้จริงไม่มีคําว่าตัวไม่มีคําว่าตนแต่ด้วยเหตุที่พวกเราเนะี่มมายาทิ้งสมมุติได้ยากทิ้งสมมติไม่ได้จิตของเราก็มัดจิดอยู่กับสมมุตินี่แหละสมมุตินี่มันทําให้เราเกิดอัตตาเกิด ต, ตัวตนขึ้นมาเห็น ไ, ไหมถือเนื้อถือตัวถือมึงถือกูถือถูกถื อ, ถ อ, ถ อ, ถ อ, ถอผิดถืออะไรอยู่นี้แหละ ก็แว่งขวางกันอยู่นี่แหละรีรีขวางขวางแข่งควางรบกันอยู่นี่แหละที่จะเดินตามหลังพุที่เจ้าไปไม่มีแหละมาริรีขวางขวงมาทะเลาะกันอยู่นี่แหละมาอยู่ปากทางนี่แหละไปมาถึงไหนอะทะเลาะกันอยู่ปากทางดีไม่ดีทะเลาะกับคนชี้ให้อีกไปทางนี้ไปทางนี้ตามหลังท่านไปไปทางนี้ไปทางนี้ไปทางนี้เอ๊ะมันเรื่องอะไรของเองมานั่งมายืนชี้โบ๊ชี้ใบชี้อะไรเนี่ยแฮ่ทะเลาะกันนี่แหละ ท่านจะไปตามที่เขาชี้ไม่ไปไม่ยอมไปมันทะเลาะกับคนชี้ซะอีกนี่คาที่ท่านพูดเปรียบเทียบไปฟังขึ้นชื่อว่าความมืดบอดในหัวใจอย่างเดียวเนี่ยมันทําให้เราสแสดงกิริยาการทั้งหลายทั้งปวงสรุ ป, ปรงแล้วก็คือกิริยาความโลภความโกรธนี่แหละกิริยาขัดข้องในหัวใจปฏิฆะขัดเครืองในหัวใจ ปฏิฆะขัดข้องในหัวใจถูกใจเขาบ้างถูกใจเราบ้างผิดใจเขาบ้างผิดใจเราบ้างสิ่งที่พาให้ถูกกันหมดที่จะเข้าที่จะเลยสมมุตินี่เข้าไปถึงประมัดถาเนี่ยนั่นน่ะมันจะถูกกันหมดมันไม่มีอะไรผิดอะไรมันถูกกันหมดดูคนก็ดูไปที่หนูหน่ะหนังเนื้อเอ็นกระดูกนุ่นดูไปทิกลิ่นของคนน่ะ ดูไปที่หนังเนื้อเอ็นกระดูกดูไปที่เนื้อแท้ดูทะลุ ก, ก็ไปเลยดูอย่างนั้นนะแม้แต่คําว่าแม้แต่คําว่าหนังก็ไม่มีเห็นแต่อะไรก็ไม่รู้ไม่มีไม่มีสมมุติเอาจิตเข้าไปถึงตัวนั้นแหละหรือก็เหมือนกันนึบลงเข้าไปถึงอันนั้นน่ะเอ็นเข้าไปถึงอันนั้นแหละกระดูกนึ้เข้าไปถึงอันนั้นแหล ะ, ร ะ, เ, หละเราพยายามหัดมองหลักธรรมชาติแบบนี้ เขาเรียกว่าพยายามมองให้เลยสมมติเข้าไปมันจะไม่ค่อยมีเรื่องมีราวอะไรใกล้ๆหรอกมันเลยสมมติบัญญัติขึ้นไปเขาเรียกว่าสมมติบัญญัติสมมติบัญญัติประมาจักรบัญญัติประมาศัตร์จริงโดยประมัาจริงโดยสัจรจริงโดยสมมติจริงโดยประมัตาจริงโดยบัญญัติเป็นชื่อเป็นเสียงเป็นอะไรอะไรเป็นบัญญัติทั้งนั้น แต่คำว่าบัญญัติเหล่านี้บางอย่างก็มีสภาวธรรมรองรับคาว่าบัญญัติเนี่ยนะบางอย่างไม่มีสภาวธรรมรองรับบางอย่างก็มีสภาวธรรมรองรับเช่นอย่างคนเนียคนเนี่ยมีสภาวธรรมรองรับกตัวตัวที่เป็นก้อนเป็นแท่งที่ยืนหรือที่เดินอยู่นี่แหละเนี่ยมีหัวมีมือมีลำตัวมีขาเนี่ยนี่แหละคือคน มีสภาวะดินมีสภาวะรองรับไหมก็ตัวที่แข็งแข็งแข็งแข็งในตัวเราเนี่ยแหละเราเรียกว่าดินคําว่าดินเป็นบัญญัติเป็นสมมุติเป็นบัญญัติแต่มันมีสภาวะทํารองรับโยดินก็คือสภาพที่แข็งแข็งแข่นแข็งแข็งเนี่ยแหละเป็นเล็บเป็นฟันเป็นเนื้อ เป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังเป็นเนื้อเป็นเอ็นเป็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังปืดไตปอดใส่ใหญ่ใส่น้อยอาหารไม่อาหารเก่าสิ่งที่เป็นก้อนก้อนสิ Kim, ่งที่สิ่งที่สิ่งที่เป็นสิ่งที่แข็งแข็งเป็นก้อนเป็นแท่งท่านสมมติเป็นธาตุดินธาตุดินที่เราเรียกมันมันมีสภาวะทำรองรับเอาไฟ ไฟในตัวเรามีสภาวะทำรองรับไหมอเอาหลังมือมาแตะหน้าผากดูหรือเอาฝ่ามือมา จ, จากจักระแล้ดูนั่นน่ะธาตุไฟอยู่ตรงนั้นแหละจับไปตรงไหนที่มันถูกทับกันมันอุ่นๆมันจับเห็นได้ง่ายนี่แหละธาตุไฟเนี่ยมีสภาวะรองรับความอุ่นๆ น, นี่แหละมีสภาวะรองรับเราพยายามดูให้เลยคําสมมุติบัญญัติเข้าไป มันจะไม่ค่อยมีปัญหาและมันเป็นการหัดมองเห็นสัจธรรมเข้าถึงสัจธรรมเข้าใจสัจธรรมได้ง่ายเข้าไปในดินกันนึบเข้าไปดินเลยแหละเอาอะไร น, นึบเข้าไปก็เอาจิตเอาผู้รู้เนี่แหละนึบเข้าไปเลยแหละก็เหมือนอย่างกําหนดกายอยานี้กำหนดนึบเข้าไปเลยแหละกําหนดเวทนานี่นึบเข้าไปอยู่เวทนาเวทนามีสภาวะเราละไหมทุกเขเวทนามีไหมสภาวะมันเราละมีไหม นี่แหละสภาวะแบบนี้แหละนี่แหละสภาวะถ้าเรายังติดอยู่ว่าเราเจ็บว่าเราปวดนั่นแหละคือเราติดบัญญัติเรานึกเข้าไปอยู่ภายในเจ็บภายในปวดนั่นน่ะแต่มันละเอียดนะมันทํายากมันต้องฝึกต้องซ้อมทุกจิตมีพื้นมีฐานอย่างั้นไม่เป็นอืนี่เป็นธาตุดินธาตุน้ํธาตาน้ำก็มีสภาวะรับรองไหมในกายเรามี น้ำดีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำสเลดน้ำหมดน้ำโคดนี่นี่น้ำน้ำเงือน้ำลายนี่น้ำสิ่งที่มีลักษณะอืบอาบท่านเรียกว่าถาดน้ำถาดน้ำดูให้เห็นถาดน้ำเป็นยังไงเราถ้าเราติดใจคำว่าน้ำคือติดสมมติ ดูนึบเข้าไปให้เห็นธาตุของอันนั้นแหละมันอยู่ผสมผสมกลมกลืนกันให้เป็นให้มันเกาะกลุ่มกันถ้ามีแต่ธาตุดินมีแต่ธาตุลมมีแต่ธาตุไฟไม่มีธาตุน้ําเนี่ยมันจะปั้นเป็นก้อนเป็นแท่งเลยไหมปั้นเป็นก้อนเป็นแท่งไม่ได้เมื่อเชื่อเราลองไปหยิบดินเป็นก้อนเป็นก้อนมาดูดินดินดินดินทรายมาอมกําดูถ้าแห้งเกินไป มันก็ไม่เป็นก้อนแล้วจะลองเอาใส่น้ำแฉะๆลองดูเปลี่ยนกัดปั้นเป็นก้อนนี่ยานั้นถ่านถ่านน้ำจึงมีร่างกายของเราต้องมีถ่านน้ำน้ำดีน้ำสเลจน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำมันค้นน้ำน้ำตาน้ำมันเหลวน้ำมูดน้ำมูดน้ำปัสสาวะเนี่ยน้ามูด มุดังน้ำมอดกระิสังอาหารเก่ากระิสังอาหารเก่าคืออุจจระนี่กริสะกระริสะกริสังอาหารเก่าอันนี้ท่านจัดเป็นธาตุดินสมมติทุกอย่างที่เราที่ท่านเรียกที่ท่านสมมุติให้เราสวดนี่เป็นคำมันมีคําสมุติทุกคําและมันมีสภาวะแต่ละอย่างแต่ละอย่างมีอาการแต่ละอย่างแต่ละอย่างของสิ่งเหล่านั้นรับรองเรา เป็นสภาวะธรรมท่ายบกว่าเป็นสภาวะธรรมนี่เราศึกษาเราต้องเข้าใจต้องรู้เรื่องเมื่อเราหลงเาหลงทึบอยู่นี่แหละจิตใจมันเหมือนกับมันมืดมันทึบไปหมดไม่มีอะไ ร, ระสวา่างสวัยจะดูในแง่แยกแยะก็ไม่เห็นมีอะไรทึบๆไม่มีอะไรแผลๆในหัวใจเลยท่านจึงสอนให้เราทําให้ใจสงบเมื่อใจสงบแล้วหัดพิจารณาหัดแยกแยะว่าสิ่งเหล่านี้มีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้ทําไมเรายึดแล้วเกินเราถือแล้วเกิน โดยเหตุที่เรายึดเราถือนี่แหละเราถึงมาแก่งแย่งแข่งขันกันทะเลาะบอกแย้งกันไม่จบไม่สิ้นก็มีแค่นี้เองท่านจะให้ภาวนาปฏิบัติธรรมเพื่อทำลายอัตตาการยึดการถือว่าเป็นตัวเป็นต้นยึดถือทีไรยึดถือเมื่อไรอัตตาตัวตนมันโผล่ขึ้นมาเมื่ออัตตาตัวตนโผล่ขึ้นมาทีไรเมื่อไหรทิฏฐิมานะมันก็ตามมากิเลสตัณหาสารพัด 108, 9, ามมาร้ยอยแปดนกี่มันก็ตามมาความรักความชังความโกรธความเกลียดความอิจฉาริษยาความใส่ร้ายป้ายสีมันก็ตามมาและอะไรที่ตามมาอีกความทุกข์ทั้งหลายมันก็ตามมาตามมาในหัวใจสิ่งเหล่านี้มันเป็นปลายเหตุเป็นเป็นปลายสายเท่านั้น แต่พวกเราก็มายุ่งอ ย, อยู่แต่กับสิ่งเหล่านี้เราไม่เคยคิดจะแก้ไปถึงต้นต่อของมันมีใครสอนบ้างนอกจากพุทธเจ้าแล้วไม่มีใครสอนเพราะก็ดูไม่ทะลุยังไม่ถึงแม้วิทยาศาสตร์ที่เขาสอนละเอะละเอียดกไ็ไม่ได้สอนถึงก้งนบึง้งแล้วก็ไม่ยอมรับ้วยซ้าไปดูแต่เราไปพูดธรรมะว่าเอ้ยอไอเวทนากระจิตเนี่ยเราไปพูดที่พูดตานมันแชกได้หรื อ, อเวทนากราจิตเนี่ย อ๋อ แ, แยกได้ยังไงแยกได้หรือไปดูดิเขาเขียนในคําถามที่เราแจหนังสือไปไปอ่านดูที่เขาไม่เข้าใจนี่เขาไม่เข้าใจต้องศึกษาศึกษาด้วยคําศึกษาแล้วยังไม่พอดูไปที่อาการที่มันมีอยู่จริงเป็นอยู่จริงศึกษาของจริงแหละจะเข้าใจเร็วที่สุดเพราะฉะนั้นพวกเราศึกษาเรื่องสมมุทักศึกษาเรื่องวิปัสสนาเนี่ย จึงเป็นการศึกษาที่ค่อนข้างจะศึกษาของจริงที่แรกก็ยังไม่จริงเราสมมุติให้เป็นของจริงขึ้นมาเช่นอย่างร่างกายเป็นอนิจจังเป็นทุกขงังเป็นอนัตตาที่แรกก็ยังไม่จริงดอกเราสมมุติให้เป็นของจริงขึ้นมาแล้วก็ตั้งใจพิจารณาค้นคว้าเพื่อให้เห็นตามนั้นเริ่มแรกจากอะไรก็ตามเขามีการตั้งสมมติฐานทั้งนั้นแหละ เขาเรียกว่าตั ก, กะตั ก, กะตรึกนึกซะก่อนคิดซะก่อนไข้ครวญซะก่อนหาเหตุหาผลให้กับมันภาษาทางโลกอย่างที่เขาเรียกว่าวิจัยวิจารณ์วิจัยเนี่ยวิจารณ์วิจัยพิจารณาแยกแยะไข้ครวนดูเหตุดูผลทุกอย่างก็ดึงแล้วก็นำไปสู่เหตุสู่ผลเอออันนี้เป็นเหตุของอนี้อันนี้เป็นผลของอันนี้เอาเอาเหตุผลแล้วจับเหตุผลแหละมาใส่กันมาวิจารณ์มาวิจัยมาไข้ครวน ถึงเหตุถึงปัจจัยว่าสิ่งนี้เป็นไปได้สิ่งนี้เป็นไปไม่ได้ออสิ่งนี้มีจริงมีข้อพิสูจน์พิสูจน์ไปพิสูจน์ไปแล้วมันมาตันอยู่อย่างนี้มันก็มาติดอยู่อย่างนี้มันมาแจ่มแจ้งชัดเจนอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้นั่นคือแจ้งขึ้นมาแล้วเหมือนที่พวกเราตั้งอกตั้งใจทําทําจิตใหไ้ได้รับความสงบเมื่อสงบขึ้นมาจิตมันก็อยู่คิ้งนิพิจารณาให้เห็นทีแรกก่อ พิจารณาสับาปพิจารณาสัพมาพิจารณาสัพมาพิจารณาสับไปเวลาพิจารณาตามสมมุติฐานที่เราตั้งเอออันนี้ท่านว่าอย่างนี้นะกุยกุยไปโกยไปกกยไปไล่ไปไล่มาไล่มาไล่ไปไล่ไปไล่มาไล่มาไล่ไปไปลงเหตุลงผลลงสัจจะที่ท่านสอนเอาไว้ท่านบอกเอาไว้ออขึ้นมาทันทีแน่ออขึ้นมาทันทีเมื่อกี้ลงตาทันเทศเรื่อง สมาธิเห้ยไหมท่านติดสมาธิอแนวกนตคัพแนวนี่แหละนิพานนี่แหละนิพานไปเล่าหลวงปู่มั่นฟังท่านก็บอกว่าหลงนี่แหละหลงหลงหลงสังขารหลงสังขารเหมือนกับลงตาไล่เหมือนกับลงปู่มั่นไล่ท่านออกออกพิจารณ า, าพิจารณาคือการพิจารณาอย่างถึงหลักของสัจธรรมแบบที่ว่านี่แหละ อ, อที่แรกครับ ติดสมมุตินี่แหละติดสมมติศาสตร์ยังดูไม่ฉลุไม่เลยสมมติบัญญัติไปติดสมมติบัญญัตินัน้นพอดูให้ฉลุไปโอ้เหมือนเหมือนทันวาเหมือนทันวานนะเนี่ยเมื่อมีเครื่องปรุงหมดคำว่าเครื่องปรุงแกงหม้อ น, นี้จะแกงให้เป็นอะไรเนะี่จะแกงให้เป็นหลายแกงต้มไก่ต้มจืดต้มส้มต้มเค็มต้มอะไรก็แล้วแต่แหละประกอบไปด้วยประกอบไปด้วยเครื่อง ปรุงอย่างนี้อย่างนี้นี่เครื่องปรุงสําหรับอันนี้เครื่องปรุงก๋วยเตี๋ยวอร่อยที่สุดแซ่บที่สุดเนี่ยมีอยู่เฉพาะหน้าเนแต่ไม่เอาไปปรุงสุกทีจะเป็นก๋วยเตี๋ยวได้กินก็ไม่ามาได้กินจะเป็นแกงไก่ได้กินก็ามาได้กินพูดอย่างนี้น้าลายจะไห ล, ลก็แล้วกันแหละตัวเองนะตำบอกฮงเนี่ยตํามะละกอยอย่างนี้สูตรนี้แซ่บอร่อยยอดประเดกอ่าอ๋อ ประคูดมะละกอแล้วก็วางไว้เอาปลาแดกมะละกาวางไว้กระเทียมหอมพริกเกลืออะไรอยู่ข้างหน้าะก็วางไว้ยังไม่ได้ปรุงยังไม่ไเอามาประกอบกันไม่ได้ตำบะฮงกินความหมายท่านว่างั้นคือคุณสมบัติของจิตที่สงบนั้นมันพร้อมแล้วที่จะแยกแยะวิจารวิจัยไค้ครวนตามหลักที่พุทธเจ้าท่านสอนที่เรียกว่าวิปัสนาวิปัสนาหรือเจริญปัญญา พอท่านมาเริ่มทำเหมือนอย่างที่หลวงปูม่มันท่านสอนอันนั้นก็อ้อันนี้ก็อ้อ น, นั้นก็อ้อ น, นี่ก็อ้อเลยไปใหญ่เลยแหละไม่ได้พักผ่อนเลยแหลทะท่เนี่ยเวลาหลวงปู่มั่นฟังนั่นนั่นใช่ไหมหลงสังขารกิริยาที่ปรุงทั้งหมดนี่คือสังขารท้าเนี่ยสังขารกิริยาที่ปรุงเพื่อเกิดปัญญาเหล่านี้ทั้งหมดนั่นะเป็นสังขารนั้นแหละกองหล ง, ล ง, ล ง, ลงสังขารนั่นลงกองสังขารลงสังขารลงสังขารครูบาอาจารย์ท่านรู้ท่านรู้อ่า คืบางทีก็เกินไปบางทีก็เกินไปก็เกินขีดเกินเหตุไปเกินเหตุไปท่านบอกว่าอ้อาวชะลอเข้ามามันเหน็ดมันเหนื่อยก็ต้องมาพักซะก่อนพักเอาแรงมีแรงแล้วก็ทํางานต่อทํางานเหน็ดเหนื่อยก็พักมีแรงพักมีแรงแล้วก็ทํางานงมีแรงแล้วทางานต่อเพราะฉะนั้นลูกตาท่านจึงเน้นมากเรื่องสมาธิกับเรื่องปัญญาต้องไปด้วยกันอ่าเพระฉะนั้นสมาธิอย่างเดียวก็ติดสมาธิอยู่นั้นแหะ ถึงฌานขั้นไหนขั้นไหนก็ตามเราดูตัวอย่างกุตกดาบุตร阿拉ระดาบทเนะี่ยอ่าก็ไม่ทะลุไปได้เพราะท่านไม่ได้เจริญปัญญาปัญญาพื้นพื้นของความสงบของจิตก็มีพื้นพื้นแบบนั้นแหละมันไม่ใช่ปัญญาเพื่อเจาะสักจะทำให้ทะลุทะลวงไปได้ความหลงยังเกาะยังยังเกาะยังเป็นก้อนเป็นแท่งยังเกาะอยู่กิเลสความโลภความโกรธมันพร้อมที่จะมันพร้อมที่ คึกขนองอยู่ในหัวใจในขณะที่มันสงบมันก็นอนอยู่ก้นบึงอ่าแต่หากมันกองอยู่ในหัวใจนั่นแหละการไปพิ จ, จรารณาไปคลี่คลายไปวิจารณวิจัยแยกแยะโอ้โห อ, อ, อันนี้เป็นอันนี้ดึงออกออันนี้เ็นี้ดึงออกอันนี้เป็นอันนี้ดึงออกอันนี้เป็นอันนี้ดึงออกเมื่อเขาเปอกออกปอกออกปอกออกปาะออ ก, ออกหายหมดเลยอัตตาตัวตนไม่มีมีความหมายที่ท่านพาเราทําให้เราเกิดปัญญ า, เ, าเกิดความรอบรู้รอบรู้ในกองสังขาร สังขารต้องมาไข้ครวนต้องมาวิจารณวิจัยคำว่าสังขาร น, นี่มันถูกไปหมดแหละสิ่งที่อยู่รอบข้างตัวเรามันถูกไปหมดอะสังขารเนี่ยแม้แต่อะไรแม้แต่ไม่ขีดไม่ขีดก้านเดียวเนี่ก็เป็นสังขารนะมีอะไรอยู่ในนั้นมันมีไม้มันก็มีเชือ้อไฟอยู่ในนั้นเห็นไหมอ่ามันจะมันจะติดเป็นไม้ขีดได้มันจะต้องไปสัมผัสชักทั้งข้างมันหงชักเกิดอะไรขึ้นมาเกิดไฟขึ้นมา ตอนนั้นไฟยังไม่ขึ้นตอนไฟยังไม่มีความร้อนยังไม่มีมีแต่สิ่งสลับปรุงนั่นแหละคือก่องสังขารเวลาสังขารมันมันไปประกอบกันมันก็ต้องเกี่ยวกับกิริยาเห็นไหมไปขีดข้างๆกล่องไม่ขีดน่นชะชเกิดการเสียดสีกิริยาเข้ามาในาหัวใจของเราการเสียดสีก็คือการพิจารณาทางด้านปัญญาให้จิตไปสงบออยย่างอยู่อย่างเดียว ที่จิตจะก้าวรู้เข้าไปถึงสัจธรรมที่แท้จริงมันก็เข้าไปรู้ไม่ได้มันต้องมีกิริยานะกิริยาที่ไปขีดข้างกล่องนั่นะเช็คนั่นแนหะคือกิริยามันสัมผัสปับ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นมามันต่างหากอีกเห็นหมมันเป็นอีกต่างหากมันเป็นประกายมันเป็นประกายพร้อมพร้อมกับความร้อนแต่มันก็มีตัวสังขารสำหรับออกมารับไฟเห็นไหมถ้าเป็นไฟแช็คที่เป็นแก๊สเนี่ย แล้วก็เอาเหล็กเอาเหล็กกับหินไปสีกันไปเสียดสีกันแล้วกดลงไปนี่ความหมุนเข้าไปมันก็ไปเสียดสีเหล็กเหล็กไฟเหล็กไฟหินหินหิ น, ห, นหินเหล็กไฟกับเหล็กพอเราขูดปั๊บมันสัมผัสกันปั๊บในขณะเดียวกันเราก็กดหัวมันลงปั๊บแก๊สอยู่ข้างล่างก็ขึ้นมาพราะแก๊สโผล่ขึ้นมานำไนเชื้อไฟมันก็ติดชู่เห็นไหม กองสังขารเราดูเถอะเราพิจารณาในแง่นี้เราจะเห็นว่าพุทธิยถาท่านสอนอวิธีการที่ท่านสอนนี่แยกยลละเอียดพิจารณากองสังขารเราหลงหลงอะไรหลงสังขารหลงกลองสังขารต้องแยกแยะอะไรวัตถุอะไรแต่ละอยา่างแต่ละอยา่างนั่นคือกองสังขารแยกันนี้ออกไปแยก น, นี้ออกไปแยก น, นี้ออกไปแยกนี่ออกไปหมดไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไร är. เหมือนครูบาจารย์างของท่านสอนให้เรา แยกผมไว้กองหนึ่งแยกขนแยกเล็บแยกฟันแยกหนังนั่งพิจารณากองไว้ข้างหน้านเนี่ยแหละแต่ละกองแต่ละกองแต่ละกองแล้วละกองแ้อ้าวหายความเป็นก้อนเป็นแทง่งว่าเป็นขนว่าเป็นตัวว่าเป็นตนท่านใ ห, ใ, หให้หัดพิจารณาแบบนี้นี่การการหัดพิจารณาก็คือการหัดหัดฝึกตามกุีหมายป้ายทางที่ท่านบอกเอาไว้เป็นการหัดตั้งสมมุติฐานขึ้นมาอย่างนี้อย่างนี้อ้าวผมกองหนึ่งขนกองหนึ่ง ตัวตั้งสมุติฐานตัวนี้ก็คือตัวสัญญามันมีเป็นขันอยู่แล้วในใจของเราสัญญาขันสัญญาขันสัญญาขันแต่ทำไมในขันหมีสังขารอีกด้วยละ่ะคำว่าสังขาร น, นี่มันไปเกี่ยวข้องกับทุกเรื่องแต่ในสังขารในขันห้าท่านเรียกอีกอย่างหนึ่งมันเป็นความปรุงของจิตจิตปรุงบุญจิตปรุงบาปแล้วก็จิตปรุงกลาง ปุญญาพิสังขารอปุญญาพิสังขารอเนญชาพิสังขารนะจิตที่ไม่ได้ปรุงจิตที่เข้าฌานเข้าไปสงบเงียบอยู่ในฌานเะนี่ยท่านก็เรียกว่าสังขารนะไม่ใช่ว่าไม่ได้ปรุงไม่ได้ลึกไม่ได้คิดเนะี่ยแต่ท่านก็ยังเรียกว่าสังขารถ้าเรียกว่าอเนญชาพิสังขารแล้วนะดูที่ละเอียดไหมธรรมะของพระพุทธเจ้าละเอียดนี่แล้วว่าอะไรลุกลามมาจนถึงอ๋อการสวด การสวดเป็นคําสมมุติคําสมมุติก็ว่าให้ถูกตามสมมุติถ้ า, าว่าไม่ถูกกันมันก็ขัดแย้งกันมันก็ตีกันมันก็เตะกันทีบกันอยู่นั่นแหละแล้วก็พวกเราก็มาติดสมมติแล้วก็มาทะเลาะเบาแวงวิวาทกันอยู่นี้แหละยื้อแย่งแข่งแข่งดีแข่งเด่นกันนี่แหละติดมานะอะไรต่ออะไรตามมาสิ่งที่ตามมาทุกระยะ ทุกอย่างทุกเรื่องคือทุกในหัวใจทุกคนไม่ชอบแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่รู้เรื่องว่าจะปฏิบัติยังไงมันถึงจะไม่มีทุกในหัวใจไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องความไม่รู้เรื่องนี่แหละคือความมืดของจิตอาวิชชามันห่อหุ้มจิตท่านจึงให้มากลั่นมากรองจิตให้สงบให้ใสให้ผ่องให้ใสด้วยสมุทภาวนา พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพอมันสงบเข้าไปแล้วปัญญาพื้นๆมันก็เริ่มมีขึ้นความฉับไวของสติความฉับไวบของจิตมันเร็วมันรวดเร็วมันเป็นตัวของตัวแตม่มันไม่ใช่สงบมันสงบเฉยๆในนั้นมันมีเป็นภูมิของความสุขของความอิ่มเอิบของความ อ, อบอุ่นความเบาเนื้อเบาตัวความเป็นรู้สึกว่าเป็นผู้มีบุญ คุณสมบัติของจิตที่สงบมีมากมายเราไปดูที่เขาเอาคุณสมบัติของความสงบของจิตไปเล่นไปเล่นศยศาสตร์เต้องอาศัยสิง่งเหล่านี้เป็นพื้นเหมือนกันนะถ้าคนไม่มีพื้นจากความสงบเหล่านี้ไปเล่นไม่เป็นทําไม่ได้เจแปะเอาน่ยมันไปจากคุณสมบัติของจิตที่สงบเท่านั้นแหละบรรจุนี่ยบรรจุพระผงเ อ, อ่ยอะไรต่เลยเน่ยสวดบรรจุอ่าอย่างเงี้ย อาศัยพลังจิตนั่นแหละรบรรจุเข้าไปพลังจิตก็คืออะไรอ่ะลองชี้ไปชัดดูพลังจิตคืออะไรคือความสงบของใจนั่นแหละใจของบางคนสงบไปแล้วนะมีพลังบางคนสงบไปแล้วก็ไม่มีพลังดอกบางคนสงบไปแล้วนี่สามารถทําให้นู่นให้นี่เคลื่อนที่ได้นะมีพลังแต่ความสงบบางคนก็เอาไปใช้ประโยชน์อย่างนั้นได้บางคนก็ ระงรับยับยั้งกิเลสได้แค่นี้ก็เพียงพอแล้วภุติเจ้าท่านสอนให้สงบเป็นการระงรับรับยับยั้งกิเลสได้เพราะกิเลสมันกวนใจให้เรามีความทุกข์พอเราสงบระงรับยับยั้งได้แค่นี้ก็เพียงพอแล้วสําหรับกิริยาของสมถะจากนั้นแล้วก็ไปพิจารณาเพื่อทําลายความหลงของตัวเองที่เรียกว่าวิปัสนาหัดพิจารณาหัดแยกแยะหัดพิจารณานั่นแหละเขาเรียกว่าเจ ร, ร, ริญปัญญา อย่างละเอียดลึกเข้าไปถึงหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะอันนี้เป็นหลักสัจธรรมที่เป็นไตรละที่มันมีเกาะอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งมันเป็นกิริยาของสังขารจะเป็นสังขารอะไรก็ตามแต่จะมีอนิจจังมีทุกขังมีอนัตตาอยู่ในนั้นเราดูง่ายๆเราดูเทียนนี่เทียนที่เราเห็นเราเราเห็นมันอยู่นิ่งไหมความไม่อยู่นิ่งของมันนั่นอันนึงความเปลี่ยนแปลงไปนี่อันนึง เราจะว่าเป็นอันเดียวกันกับใช่แล้วลราใครไปบังคับมันได้ไหมนี่ในในขณะที่เรานั่งดูนี่เราเอาจิตของเราไปบังคับไม่ให้ไม่ให้ไม่ไม่ให้ไส้มันหมดไปไม่ให้น้ามันมันหมดไปไม่ให้เทียนมันสั้นไปนี่เราไปบังคับได้ไหมในขณะที่สังขารมันทํางานเราบังคับได้ไหมโดยเหตุที่เราบังคับไม่ได้พระเจ้าท่านจึงทรงตรัสว่าอนัตตาอนัตตาเราเอาเทียนมาเทียบกับร่างกายของเราเช่นเดียวกัน ถ้าเราจะเทียวว่าร่างกายของเราเนี่คือเท่ากับเหมือนกับเทียนล้ำหนึ่งอ่ามันทนอยู่ไม่ได้มันต้องเปลี่ยนไปลักษณะทนอยู่ไม่ได้ท่านว่าอนิจจังถ้าท่านว่าทุกขังต้องเปลี่ยนไปท่านเรียกว่าอนิจจังเป็นภาวะของมันเป็นกิริยาอาการของมันเป็นลักษณะของมันท่านเรียกว่าสามั ญ, ญลักษณะเป็นลักษณะของสังขารทั้งหลายทั้งปวง ทั้งสังขารที่มีใจครองและสังขารที่ไม่มีใจครองสังขารมีอยู่เต็มโลกทั้งหมดเนี่ยมีลักษณะสามอย่างนี่แหละไปเกี่ยวข้องมีใครเห็นไม่มีใครเห็นมีบุติเจ้าเท่านั้นเห็นสมัยพุทธกาลมีาศาสดาองค์หนึ่งท่านสอนอนิจจังทุกขงังแต่ไม่ไม่ได้สอนอนัตตาอ่าไม่ได้สอนอนัตตาสอนคือรู้อยู่แต่รู้ไม่หมดรู้ไม่รอบ ต่พุทธิยาท่านรู้รอบอันนี้จังทุกขรังอนัตตานะไม่รู้กิริยาที่จะพยายามไปบังคับมันไม่ให้มันเปลี่ยนไปไม่รู้จักกิริยาที่ไปบังคับมันให้มันคงทนบังคับให้มันเที่ยงให้มันคงทนกิริยาเหล่านี้มีอยู่สอดแทรกอยู่แต่ก็ดูไม่ออกแต่พุทธิยาท่านดูออกอ๋อกิริยาของจิตของของเราของของใครทั้งนั้นน่ย พยายามอยากให้สิ่งที่เราชอบเราต้องการเนี่ยคงอยู่แล้วก็ต้องการไม่ให้เปลี่ยนไปให้เป็นนิจจังให้เป็นให้เป็นสุขขังให้เป็นนิจจังแล้วก็เอาไปบังคับบัญชาสิ่งใดครับบังคับบัญชาไม่ได้ทั้งนั้นโอ้นี่คือลักษณะของอนัตตาคำคำนี้กิริยานี้คำสมมติอันนี้ไม่มีใครตั้งสมมุติได้กิริยาอันี้ไม่มีใครเห็น ว่าให้พุทิเจ้าท่านเต็มรอบได้ทั้งอนิจจังได้ทุกขงังได้ทั้งอนัตตาอนิจจังยังไงทุกขงกงังก็อย่างงั้นทุกขังยังไงอนิจจังก็ย่างงั้นอนิจจังทุกขังอยังไงอนัตตาก็อย่างนั้นเกิดขึ้นในลักษณะของวัตถุอันเดียวกันที่เป็นสิ่งที่เป็นสังขาร แ, แม้แต่แม้แต่จิตของเราก็เหมือนกันจิตของเราเนี่ยยังมีกิเลสอยู่กิเลสตัวนี้แหละเป็นกองสังขารเมื่อเราชําระ ก, กิเลสหมดไปแล้วเนี่ยจิต ไม่มีสังขารท่านเรียกว่าวิสังขารจิตรพระอาหารหันตธรรมริยสังขารพราะไม่มีสิ่งปรุงแต่งให้ท่านไปเกิดพบนั้นพบนี้ไม่มีอีกแล้วท่านเรียกว่าวิสังขารจิตของเรายังมีสังขารอยู่เพราะพวกเรายังมีกิเลสสังขารเหล่านี้กิเลสเหล่านี้เราจึงสามารถชำระออกได้ด้วยด้วยวิชาวิชาการที่พระองค์ทรงหวางอาไว้นี่แหละ สมถะวิปัสนา้ะเรามาช่วยเสริมเป็นเป็นเปลือกเป็นกระพีช่วยเสริมเป็นเปลือกเป็นกระพีของต้นไม้คืออะไรคือศีลเนี่ยเป็นเปลือกเป็นกระพีของต้นไม้เป็นเปลือกของต้นไม้สมาธิเป็นกระพีปัญญาเป็นแก่นเป็นแก่นปัญญาวิมุตตุดุพนิเป็นแก่นและอะไรอ่ะ อะไรเป็นน้ำอะไรเป็นอากาศที่จะช่วยต้นไม้เหล่านี้อะไรเป็นดินเป็นน้ำเป็นอากาศที่เป็นที่ยืนอยู่ให้ต้นไม้ต้นนี้เกิดขึ้นได้นี่ถ้าเราจะเทียมมาอีกอันหนึ่งก็คือฐานเราก็ทำเข้าไปสิ่งเหล่านี้หล่อเลี้ยงต้นไม้ให้เจริญต้นไม้หายใจให้เจริญเสร็จแล้วกับการทั้งจะรักษาศีลมารักษากิริยา กายวายใจาให้เรียบร้อยไม่ให้กิเล่มันแทรกเข้ามาจากนั้นก็เจริญจิตให้ได้รับความสงบกิเกลสให้ในใจให้มันสงบเสร็จแล้วก็เจริญปัญญามีวิธีการที่ท่านสอนเราครบวงจรพวกเราได้ยินได้ฟังแล้วก็ไปไปเจริญไปทำกันเดินให้มากนั่งให้มากภาวนาให้มากเพราะอายุมันยิ่งมากไปเท่าไหร่มันยังมากไปเท่าไหร่มันก็ล่วงไปเท่านั้นล่วงไปเท่านั้น ถ้าเราอยู่กับสิ่งเหล่านี้มันจะทําให้เรามีภูมิจิดภูมิทํามีสติมีปัญญาเพิ่มภูมิทวีคูณขึ้นกลายเป็นสมบัติติดเนื้อติดตัวไม่งั้นก็ไม่ได้อะไรอ่าอยู่เฉยๆไปวันหายใจทิ้งไปวันๆไม่ได้อะไรใช้สติใช้สัมปชัญญะใช้ความสงบระงับสิ่งที่มันปรุงมันแต่งภายในจิตกิเลสมันปรุงมันแต่งเราสงบระงับมันได้มีผลมีอนิสง์ แค่ช่วงคลิปตาเดียวสงบแค่ชั่วขณะเดียวโอ้ยมีผลมีอเนสงอั้งจึงให้พวกเราทั้งอกทั้งใจทำพระโอกาสมันมีเวลาโอกาสไม่มีคือโอกาสที่เจ็บแค่ได้ป่วยอดอดแอร์หรือเมื่อใกล้จะตายอ่าคอยที่จะไปสะเสวยวิบากกรรมแหละหรือไม่ก็อยู่ก็ไม่ค่อยจะสนใจสิ่งเหล่านี้ ซึ่งเป็นฝกักไฟายกุศลไปฝักไฟแต่อ่าไฟอกุศลอกุศลก็คือผลิตผลของกิเลสมันก็ยิ่งเพิ่มพูนทวีคูณยิ่งเพิ่มความมืดตึ๊บให้แก่โวงจิตของเรายิ่งท huh ําให้เราเป็นมิจฉาทิฐิเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นปัญญาในใจก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมืดมิดปิดทวารทั้งหมดทุกข์ลึกเกินทุกข์ลึกเกินทุกข์ลึกเกินทุกข์ลึกเกินมัดคอายก่ัอนงง้ ยิ่งตายไปก็ยิ่งทุกข์สองสามเท่าทุกตอนใกล้จะตายเนี่ยเท่าหนึ่งพอตายเข้าไปแล้วทุกเพิ่มมาอีกอย่างน้อยห้าเท่าสิบเท่าเอาที่คิดว่าจะมีความสุขนั่นแหะความนึกคิดของเราเน่ยความค่ดคาดเดาๆของเราเน่ยมันเป็นเป็นจริงได้ไหมถ้านอกจากหลักที่พระพุทธเจ้าท่านสอนมาแล้วเนี่ยเป็นจริงไม่ได้เรื่องของกิเลสทั้งนั้นอุใ ด, ดง่ายว่า ทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนแต่ละวันแต่ละวันเราถูกกิเลสหลอกทุกกิริยาทุกอาการทุกขณะของจิตถ้าเราไม่เคยสนใจเรื่องศีลเรื่องธรรมเราพิจารณาแล้วเราน่าตกใจว่าทันทีแหละแต่ถ้าเราเข้าใจเริ่มขยับมาขยับมาเรื่อยขยับมาเรื่อยขยับมาเรื่อยเราจะได้กำลังใจเราจะได้ความบอบอุ่นใจสะสมเข้าไปเถอะทำบุญใส่บาตร ไหวพระสวดมนต์ต้องอยารักษาศีลเจริญสมาธิเจริญปัญญาอาศัยความขยันอย่าอาศัยความขี้เกียจความขี้เกียจนี่เป็นศัตรูอยู่ในหัวใจของใครของใครเป็นศัตรูตัวที่ร้ายกาจที่สุดเป็นกิเลสตัวที่ใหญ่ที่สุดเป็นตัวที่กดท่วงชีวิตจิตใจของคนนั้นที่สุดเดี๋ยวให้พึงระมัด ร, ระวังเอาไว้ นี่คือท่ามกลางที่จะทำให้เรารู้สึกตัวมีสติมีปัญญามีความรอบรู้เพื่อที่จะขยับขยายสอดแทรกตั้งใจประพฤติปฏิบัติเพื่อให้พ้นทุกแต่ละแต่ละหัวใจแต่ละหัวใจอยู่ท่ามกลางตรงนี้แหละท่ามกลางคำสอนของพุทธเจ้านี่แหละเราได้ยินได้ฟังแล้วก็ไปตั้งใจศึกษาประพฤติปฏิบัติตามไปตามนั้นไปจนตลอดชีวิตของเรา จบชีวิตหนึ่งชีวิตข้างหลังนี้จะต้องดีแน่นอนตั้งใจไปเกิดในพฏิรูประเทศแต่ทำต่ออีกเพิ่มขึ้นอีกคุณสมบัติเพิ่มขึ้นอีกได้ทำเพิ่มอีกคุณสมบัติเพิ่มขึ้นอีกคุณสมบัติเพียงพออินทรีย์แก่กล้าเราก็สว่างสวยัยผลรุผลุผลโทษไปได้อ้าวเอวัง